วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบร ม, มาศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ศรัทธาญาติโยมเข้าวัดกันให้เข้าหาธรรมะกันเพระาะธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางแก่ชีวิตจิตใจ ของพวกเรานั้นเองเราต้องคอยเพิ่มแสงสว่างให้มีมากขึ้นไปตามลำดับด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วแสงสว่างนำทางของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราไม่เข้าวัดกันบ่อยๆไม่ฟังธรรมกันบ่อยๆไม่ปฏิบัติธรรมกันบ่อยๆแสงสว่างนําทางก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาบ่อยๆนั่นเองลองคิดดูเวลาที่เราขับรถในายามค่ําคืนถ้าไฟนําทางของรถยนต์ติดบ้างไม่ติดบ้างเราจะรู้สึกอย่างไร เราจะไม่กล้าขับรถไปไหนมาไหนเพราะไม่รู้ว่าไฟจะติ ด, ตดไฟจะดับเมื่อไหร่นั่นเองแต่ถ้าเรามีไฟที่ติดอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความมั่นใจเวลาที่เราเดินทางไปไหนในยามค่ำคืนเราก็สามารถเห็นทางไปได้อย่างปลอดภัย ชั้นใดชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังเดินทางไปไหนมาไหนกันการที่เราจะเดินทางไปสู่ที่เราปรารถากันคือไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่เรียกว่าสุขตินั้นจำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมนำไปพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันเข้าวัด วันเข้าหาพระธรรมคำสอนคือวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมนั่นเองในสมัยพุทธกาลวันหยุดทำงานของญาติโยมก็ตรงกับวันพระเพราะในสมัยพุทธกาลจะหยุดทำงานกันในวันพระแต่ในสมัยปัจจุบันวันทำงานวันหยุดทำงาน ของพวกเราไม่ตรงกับวันพระไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้ถ้ายรายัางถือวันพระเป็นวันเข้าวัดอยู่เราจะเราก็จะไม่ได้ค่อยเข้าวัดกันเพราะวันพระจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์จะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้ก็ ตรงกับวันพุธนะคถ้าเราถือวันพระเป็นวันเข้าวัดพอวันพุธเราก็ต้องไปทํางานกันเมื่อไปทํางานเราก็จะไม่สามารถมาวัดมาเติมแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตของพวกเราได้เมื่อเราไม่มีแสงสว่างนําทางอย่างสม่ําเสมอชีวิตของเราก็จะ สลับไปกับสุขบ้างทุกบ้างช่วงไหนมีแสงสว่างช่วงนั้นเราก็ขับรถอยู่ในทางในถนนได้แต่ช่วงไหนที่ไม่มีแสงสว่างเราก็อาจจะขับรถออกนอกลูก่นอกทางได้จึงทำให้ชีวิตของเราจึงต้องไปพบกับความทุกข์พบกับปัญหาต่างๆ พอาะขาดแสงสว่างนำทางนั่นเองเพราะสมัยนี้วันเข้าวัดไม่ตรงกับวันหยุดทํางานพวกเราชาวพุทธึงควรที่จะปรับเปลี่ยนวันเข้าวัดกันใหม่อย่าถือวันพระเป็นวันเข้าวัดขอให้ถือวันหยุดทํางานเช่นวันนี้เป็นวันเข้าวัดกันถ้าเราถือวันหยุดทํางาน เราก็จะได้เข้าวัดกันอย่างสม่ําเสมอทุกอาทิตย์อย่างน้อยก็หนึ่งวันหรือสองวันถ้าเราถือวันพระเป็นวันเข้าวัดนานๆเราจะได้เข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งนานๆที่วันพระจะไปตรงกับวันหยุดทํางานกันนั่นเองดังนั้นวันไหนที่เป็นวันหยุดทํางานของพวกเรา วันนั้นแหลคือวันพระของพวกเราวันที่พวกเราต้องเข้าวัดเข้าหาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะพาชีวิตจิตใจของพวกเราให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพ สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นของพระอริยบุคคลคือสวรรค์ชั้นมรรคผลนิพพานที่เต็มไปด้วยความสุขที่ปราศจากความทุกข์นี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการที่เราเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกัน พอเมื่อเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีที่จะพาชีวิตจิตใจของพวกเราให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์วันนี้เราจะมาฟังธรรมฟังเรื่องวิธียกระดับจิตใจหรือเพิ่มพลังจิตพลังใจ ให้กับใจของพวกเราใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้ก็มีเครื่องยนต์หลายหลายแบบด้วยกันแบบธรรมดาก็มีแบบที่มีพลังมากก็มีเช่นรถยนต์ที่ใชในการแข่งขันในสนามแข่งขันรถยนต์นี้เขาจะใช้เครื่องยนต์ที่มีพลังมาก กว่ารถยนต์ที่ใช้ตามปกติทั่วไปการที่จิตใจของพวกเรานี้จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้โดยสวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ของพระอริยบุคคลเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพลังของจิตใจของพวกเราให้มีมากกว่าที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ถ้าเราไม่เพิ่ม พลังใ่พลังใจของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างปล่อยให้มีอยู่เท่าเดิมหรือมีให้หรือลดน้อยถอยลงไปการเดินทางของพวกเราแทนที่จะขึ้นสูงก็จะไม่ขึ้นสูงและถ้าปล่อยให้พลังลดน้อยถอยลงไปการเดินทางของเราแทนที่จะขึ้นสูงก็กลับจะ ลงต่ำต่อไปได้เพราะต่ำกว่าของมนุษย์ยังมีที่ไปอีกก็คือไปอบายนั่นเองอบายก็คืออเดลชานเปรตอสุลกายและนรกผู้ที่ไปอบายนี้ก็เป็นผู้ที่ขาดแสงสว่างแห่งธรรมผู้ที่ไม่เข้าศึกษาพระธรรมคำสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าพวกเราอยู่ห่างไกลจากธรรมมากขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปการเดินทางของพวกเราแทนที่จะขึ้นสูงก็จะกลับลงต่ำไปตามลำดับ ลงไปต่ำไปตั้งแต่ชั้นเดลฉานชั้นเปรตชั้นอสุรกายและชั้นนรกตามลำดับต่อไปนี่คือคุณและโทษของการที่ได้เข้าวัดเข้าหาธรรมะหรือไม่เข้าหาธรรมะนั่นเองถ้าเข้าหาธรรมะแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนได้จิตใจก็จะมีพลังมากขึ้น เมื่อมีพลังมากขึ้นก็สามารถยกระดับจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับถ้ามีกำลังน้อยลงจิตใจก็จะไม่สามารถรักษาอยู่ในระดับที่กำลังอยู่ได้ในขณะนี้ในขณะนี้จิตใจของพวกเราอยู่ในระดับของมนุษย์แต่ถ้าเราไม่คอยเติมแสงสว่างแห่งธรรม ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจของพวกเราก็จะลดระดับต่าลงไปจากมนุษย์ก็จะเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไปตามลำดับนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเพิ่มพลังจิตใจของพวกเราให้มีมากขึ้นไปตามลำดับถ้าพวกเราอยากที่จะยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปขณะนี้จิตใจของพวกเราเรียกว่าอยู่ในระดับปุถุชนระดับปุถุชนนี้ก็คือระดับของมนุษย์ของเทพของพรหม ถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจากปุตุชนขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลพระระดับพระอริยบุคคลต่างกับปุตุชนตรงที่ระดับใจระดับจิตของปุตุชนนี้ยังติดอยู่ในสังสารวัฏยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปเรื่อยๆ เป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่พอตายไปก็จะกลับขึ้นไปสู่ชั้นเทพชั้นพรหมใหม่จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าต้องการที่จะยกระดับจิตให้ออกจากสังสารวัตรออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลระดับของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอารหันต์จึงจะสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ได้ถ้าได้ยกระดับขึ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากมถ้าได้ขึ้นสู่ระดับที่สองระดับของพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาเพียงหนึ่งชาติ และถ้าได้ขึ้นสู่ระดับที่สคือระดับของพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาอีกต่อไปแต่จะไปเกิดในภพของพรหมถ้าได้บรรลุถึงขั้นที่สี่คือขั้นของพะอระอรหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดา ของพรมจะไปอยู่ที่พระนิพพานเป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเดกต่อไปเป็นที่ที่ไม่มีความทุกข์เพราะทุกข์นั้นเกิดกับผู้ที่เกิดกเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นผู้ที่ไม่เกิดแล้วนี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของ การยกระดับจิตการเพิ่มพลังจิตพลังใจให้มีกำลังที่จะยกจิตใจให้สูงขึ้นเหมือนสมัยนี้เรามีการพัฒนาวิธียกร่างกายของเราให้สูงขึ้นด้วยเครื่องบินชนิดต่างๆมีเครื่องบินที่พาให้เราขึ้นสู่เหนือฟ้าได้แล้วถ้าเราต้องการ ออกจากโลกนี้ไปเราก็ต้องสร้างจรวดนีที่มีพลังมากกว่าเครื่องบินอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราก็ต้องมีเครื่องบินหรือมีจรวดมีพลังที่จะสามารถยกระดับจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้หลุดออกจากกระแสดึงดูด ของวัตตะสงสารหรือสังสารวัตรที่คอยดึงดูดให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆนี่เองการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อที่จะนำพาจิตใจของพวกเราให้เข้าสู่พระนิพพานกันนั่นเองการจะเข้าสู่พระนิพพานได้เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรกัน สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาเพิ่มพลังจิตพลังใจจากพลังจิตพลังใจในระดับของปุถุชนให้ขึ้นสู่ระดับพลังจิตพลังใจของพระอริยบุคคลพลังจิตของปุถุชนนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหประการด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาสองวิริยะ ความพยายามความเพียร 3. ส, สติความรอกรู้สสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของใจและ 5. ปัญญาความรู้ความฉลาดรอบค้อบนี่คือพลังจิตของของของใจถ้าเราต้องการเพิ่มพลังจิต เราก็ต้องมาเพิ่มที่ศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่มวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มสติคือการเราเลิกรู้ให้มีสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเพิ่มสมาธิให้จิตเข้าสู่ความสงบให้มากขึ้นไปตามลําดับเพิ่มปัญญา ให้จิตมีความรู้ความฉลาดรอบครอบเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับนี่แหละคือการที่เราจะมาเพิ่มพลังให้กับจิตใจเราต้องมาเปลี่ยนอินทรีย์ห้าให้เป็นพละห้าถ้าเราเติมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้เต็มร้อยอ อินทรีห้าก็จะกลายเป็นพระห้าขึ้นมาอินทรีห้านี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอร่างกายของเด็กนะส่วนพระห้านี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายของผู้ใหญ่ร่างกายของเด็กนี้ทำงานทำการได้ไม่มากเท่ากับร่างกายของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มีกำลังวังชามากกว่า มีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั่นเองจิตของปุถุชนก็เช่นเดียวกันจิตของปุถุชนนี้เป็นเหมือนจิตของเด็กส่วนจิตของพระอริยบุคคลนี้เป็นเหมือนจิตของผู้ใหญ่เราต้องพัฒนาจิตของพวกเราจากจิตปุถุชนจิตของเด็กมาให้เป็นจิตของพระอริยบุคคล จิตของผู้ใหญ่เพราะจิตของพวกเรานี้มันจะไม่พัฒนาไปด้วยตนเองเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มันพัฒนาของมันไปถ้าเราคอยให้อาหารคอยให้น้ำคอยให้อากาศร่างกายก็จะพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่คอยให้อาหารไม่คอยให้น้าไม่คอยให้อากาศ ร่างกายมันก็พัฒนาขึ้นไปไม่ได้นอกจากพัฒนาไม่ได้แล้วมันยังจะตายไปเสียด้วยซ้ำไปเพราะถ้าร่างกายไม่ได้อาหารไม่ได้น้ำไม่ได้ลมร่างกายก็อยู่ไม่ได้การที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับได้ก็เพราะมีการเติมน้ำเติมอาหารเติมลมให้กับร่างกายอย่างสม่าเสมอ น, นั่นเอง ร่างกายจึงสามารถโตจากเด็กให้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของพวกเรานี้ถ้าเราไม่เติมพลังให้กับจิตใจไม่เติมศรัทธาให้เข้มข้นมากขึ้นไม่เติมวิริยะความขยันหมั่นเพียรให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่เติมสติไม่เติมสมาธิไม่เติมปัญญาให้มีกำลังเข้มข้นมากขึ้นจิตใจของพวกเราก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้จะโตจากบุตุชนขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แต่ถ้าเรามีความพยายามที่จะเติมศรัทธาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เติมวิริยะความขยันหมั่นเพียรติมสติตามสมาธิตามปัญญาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นจิตใจของพวกเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปมากขึ้นตามลำดับจนในที่สุดก็จะกลายเป็นจิตของพระอริยบุคคลไปจะเป็นพระโสดาบันแล้วจากนั้นก็จะเป็นพระสกิดาคามี จากนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีจากนั้นก็จะเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละคือการเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังใจการยกระดับจิตจากกุตุชนให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลเป็นสิ่งที่ทุกคนทำกันได้เพราะว่าพระอริยบุคคลที่เป็นกันอยู่นี้ก็มาจาก ผู้ที่เป็นปุตุชนยังพวกเรานี้เองพระอริยบุคคลที่เรากราบไหว้ที่เราสวดสรรเสริญพุทธพัสสังขคุณคือสุปฏิปโนโสาวะกะสังโฆท่านเหล่านี้ก็เป็นปุตุชนมาก่อนไม่มีใครเป็นพระอริยบุคคลมาก่อนเป็นปุตุชนพอได้มาพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติตอนต้นก็ปฏิบัติบ้างเล็กน้อยตามกําลังไปก่อนพอปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็จะเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะเพิ่มศรัทธาในการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นสร้างสติให้มากขึ้นสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้มากขึ้นพ อ, อมีสติสมาธิมีปัญญามากขึ้นผลคือรสแห่งธรรมก็มีปรากฏมากขึ้นไปตามลำดำับจึงทำให้เกิดศรัทธาเต็มร้อยขึ้นมาในที่สุด ความเพียรก็เต็มร้อยสติก็เต็มร้อยสมาธิก็เต็มร้อยปัญญาก็เต็มร้อยพอได้เต็มร้อยก็จะได้เป็นพระอรหันตบุคคลขึ้นมานี่คือเรื่องของการเพิ่มพลังจิตด้วยการมาเพิ่ม ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มีมากขึ้นวิธีสร้างศรัทธาให้มากขึ้นเป็นอย่างไรก็คือต้องศึกษาให้มากขึ้นนั่นเองต้องฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้นและต้องศึกษาจากแหล่งที่ที่เป็นธรรมที่แท้จริง แหล่งที่เป็นธรรมที่แท้จริงก็มีอยู่สามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสัง่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละคือแหล่งที่เราจะได้ธรรมะที่แท้จริงที่จะทําให้เรามีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเรามีพระธรรมคําสัง่งครรําสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะหาพระพุทธเจ้าก็ไปหาที่พระธรรมคาสั่งคาสอนที่ได้มีการ <c oughs> จดจำและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกและมีการรับรองจากพระอราหันต์ห้าร้อยรูปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปริณีพานไป สเดือนหลังจากที่ทรงจากไปพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยลูป ก, ก็มารวมประชุมกันมาสังขยาณาพระธรรมคําสั่งคําสอนมาเจียามาชําระมาตรวจสอบว่าที่จดจํากันมานี้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่มีพระอราหันต์ห้าร้อยูปที่เคยศึกษาจากพระพุทธเจ้า ที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและได้นำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจงได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปนี้เป็นผู้ที่สามารถยืนยันในความเที่ยงแท้แน่นอนในความเป็นจริงของพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อมีพระอาหน์ห้าร้อยรูปมารับประกันมารับรองว่าคำสั่งคำสอนที่ได้จดจำกันมาและได้บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสั่งคำสอนที่เป็นของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำสั่งคำสอนของผู้อื่นแทรกเข้ามาเลย จะเป็นความสั่งคําสอนที่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกประการพระพุทธเจ้าจึงสามารถรับประกันได้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ป่าศจากพระพุทธเจ้าอยู่ปราศจากพระบรมศาสดาเพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้นี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไป ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าขอให้เราไปหาที่พระไตรปิฎกไปหาพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรืออีกทางหนึ่งก็ไปหาจากพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกนี้ก็เป็นผู้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างไร พาาระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็รู้เห็นอย่างนั้นคำสั่งคำสอนของพระอรหันตสาวกจึงเป็นเหมือนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการจึงสามารถใช้แทนกันได้ <Yeah. S 1> นี่คือแหล่งศึกษาแหล่งที่จะทำให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้น ยิ่งศึกษายิ่งเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อมากขึ้นไปตามลาดับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะไปเสริมศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่ไปก็ได้ไม่ปฏิเสธไปก็สามารถเสริมศรัทธาในผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ ถ้าไปประเทศอินเดียไปที่สังเวชนะสังเวชนียสถานสี่สถานคือที่ประสูตรที่ตัดจารุที่ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกและที่เสด็จดับขันทนภาริณิพานถ้าไปได้ไปเยี่ยมชมไปนมัสการในสี่สถานที่นี้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะมีศรัทธาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นทางเดียวที่จะทำให้ผู้ไม่มีศรัทธาหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มศรัทธาให้มีมากขึ้นนี้ต้องไปที่อินเดียกันทั้งหมดถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่เราเคารพกราบไหว้บูชานี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะพร ะ, พระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนที่เรากล่าบไหวบูชาที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหล่านี้จะบรรลุไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ไปที่ประเทศอินเดียกันหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่เคยไปประเทศอินเดียหลวงตามหาบัวก็ไม่เคยไปเป็นประเทศอินเดียแต่การไม่ได้ไปเป็นประเทศอินเดียไม่ได้เป็นการปิดกัน้น การสร้างศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นมาในใจ evet. การไปประเทศอินเดียไปสังเวชนิสถานสีนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการสร้างศรัท ธ, ธาให้มีเพิ่มมากขึ้นให้มีศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นในผู้ที่ไม่มีศรัท ธ, ธาให้มีศรัท ธ, ธาเพิ่มมากขึ้นในผู้ที่มีศรัท ธ, ธาแล้ว evet. ถ้ามีกำลังทรัพย์มีปัญญา ที่จะไปที่สังเวชชนิย ส, สถานสีนี้ได้ก็ไปได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเพราะไม่ใช่เป็นทางเลือกทางเดียวที่จะเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทางเลือกก็ยังมีทางอื่นอยู่คือการเข้าหาพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกการเข้าหาพระอริยสงสาวรเพื่อแสดง เพื่อฟังเทศฟังธรรมจากท่านเพื่อศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนจากท่านก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมสร้างศรัทธาให้ปรากฏขึ้นมาและยังมีอีกทางหนึ่งที่จะสร้างศรัทธาให้มีเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเท่าที่เรารู้กันอยู่ในขณะนี้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาอะไรขอให้ทาไปเถิด ทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เต็มร้อยแล้วเราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วจะทำให้ศรัทธาที่เรามีอยู่นี้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับได้ น, นี่คือวิธีเสริมสร้างศรัทธาจากศรัทธาของปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นศรัทธาของพระอริยบุคคลต้องอาศัยการศึกษา การเข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนจากพระไตรปิฎกก็ดีจากพระอริยสงสาว ก, ก็ดีคําสอนของพระอริยสงสาวกก็มีสงแบบแบบสดกับแบบไม่สดพระอริยสง์สาวกบางรูปท่านก็ตายไปแล้วแต่ท่านก็มีคําสอนทิ้งไว้ในรูปแบบของหนังสือในเทปในซีดีต่างๆ ที่เราสามารถใช้ศึกษาเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและศรัทธาความเชื่อได้ mm hmm. ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่คำสั่งคำสอนของท่านยังอยู่เราสามารถอ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆได้ยิ่งคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วนี้มันมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า คำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วนี้เป็นพระอาริยบุคคลกันเป็นพระอารหันตสาวกกันเพราะเราได้เห็นจากกระดูกของท่านที่ได้กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าท่านได้เป็นพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว คำสอนคำสั่งคำสอนที่ท่านสอนจึงเป็นคำสั่งคำสอนที่เป็นความจริงทั้งหมดที่เราสามารถเชื่อและน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้แต่สำหรับพระที่ยังไม่ตายไปนี้เรายังไม่รู้แน่ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลกันหรืออย่างท่านเป็นพระอรหันต์กันหรืออย่างเพียงแต่ว่าเราอาจจะเชื่อว่าท่านเป็นก็ได้ แต่ความเป็นจริงเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่จะดูการที่จะวัดท่านว่าท่านเป็นพระอริยบุคคล น, นี้วัดได้อย่างไรนั่นเองสำหรับพวกเราเราก็วัดได้เพียงแต่การรอให้ท่านตายไปก่อนแล้วดูว่ากระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุไปหรือเปล่าถ้ากลายเป็นพระาธาตุเราก็จะได้รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต สาวกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่สามารถถ้าท่านยังไม่ตายเราก็ยังจะไม่รู้แต่มีวิธีที่เราจะรู้ว่าพระสาวกพระอรหันตสาวกที่มีชีวิตอยู่นี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าถ้าเราได้ศึกษาจากท่านศึกษาคําสอนของท่านแล้วนําเอาไปปฏิบัติ จนสามารถทำให้เราบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาได้ถ้าเราอาศัยท่านสอนให้เราเป็นพาาระอรหันต์ได้เราก็ต้องเชื่อว่าท่านต้องเป็นพาาระอรหันต์คนที่ไม่เป็นพาาระอรหันต์นี้จะมาสอนให้คนที่ไม่เป็นพาาระอรหันต์นี้เป็นพระอรหันต์อรหันต์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อท่านยังไม่สามารถ <c> ทำตัวของท่านเองให้เป็นพาาระอรหันต์ได้ ท่านจะไปสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเหมือนกับศรัทธาญาติโยมที่ทำกับข้าวไม่เป็นจะไปสอนคนอื่นให้ทำกับข้าวเป็นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นจะไปสอนคนที่ว่ายน้ําปนให้คนที่ไม่ไว่ายน้ำไม่เป็นให้ว่ายน้ำเป็นนี้ก็สอนไม่ได้สอนสอนได้แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะว่ายได้หรือเปล่า ว่าเราอ่านตำราได้อ่านตำราว่าวิธีไหว้น้ำไหวอย่างนั้นไหวอย่างนี้แต่เวลาสอนนี้คนสอนไม่ลงไปในน้ำกับคนเรียนปล่อยให้คนเรียนลองไปทดลองเอาเองก็อาจจะจมน้ำตายได้แต่ถ้าคนสอนนี่ไหว้เป็นคนสอนนี่จะลงไปในน้ำกับคนที่ไหว้ไม่เป็นเราจะสอนวิธีไ่ว้น้ำให้ดูเป็นตัวอย่าง เพให้คนที่อยากจะว่ายน้ำจะได้เรียนรู้วิธีว่ายน้ำอย่างถูกต้องว่าว่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติด้วยนั้นท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติจนเราบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาถ้าเราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้ว เราก็จะไม่สงสัยว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เราก็จะไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งคำสอนของท่านว่าเป็นคำสั่งคำสอนที่แท้จริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่วิธีนี้ยากเพราะว่าเราต้องเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเองแล้วเวลาที่จะสามารถพิสูจน์ได้นี่ก็ไม่ใช่วันสองวัน อาจจะต้องศึกษาปฏิบัติกับท่านเป็นเว้นเป็นปีๆอาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีก็ได้อ น, นีน้แต่ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ น, นี่คือวิธีที่เราจะสามารถทดสอบว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่วิธีสุดท้ายก็มีอีกวิธีหนึ่ง คือเราต้องเป็นพระอารหันต์แล้วพอเราเป็นพระอารหันต์แล้วเราไปคุยกับท่านคุยกับพระที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นไปพูดไปคุยไปถามเรื่องการปฏิบัติเรื่องการบรรลุทมขั้นต่างๆถ้าคุยกันท่านคุยกับเราได้ตอบกันตอบเราได้พูดตามความเป็นจริงเหมือนกับที่เรารู้เราเห็นก็แสดงว่าท่านก็เป็นพระอารหันต์เหมือนกัน นี่คือวิธีการต่างๆที่เราจะพิสูจน์ว่าพระที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมด้วยนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพะร ะ, พะอริยะเจ้าหรือไม่ <Yeah. S 1> วิธีที่ง่ายที่สุดก็ดูพระธาตุของท่านดูที่ท่านตายแล้วกระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าพอเป็นพระธาตุเราก็เชื่อได้ว่าท่านเป็นพะระอรหันต์ เราก็ไปศึกษาจากคำสั่งคำสอนที่ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือในซีดีใ น, CD, ในสื่อต่างๆได้เราก็จะมีความมั่นใจเหมือนกับเรามีความมั่นใจเวลาที่เราศึกษาจากพระไตรปิฎกว่าเป็นคำสั่งคำสอนที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วทุกประการ นี่คือวิธีเสริมศรัทธาในใจของพวกเราให้มีเพิ่มมากขึ้นพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรความพยายามเพิ่มมากขึ้นการเพียรของพวกเราก็จะเปลี่ยนมากขึ้น เพียนปฏิบัติสีเพียงปฏิบัติสติให้มากขึ้นเพียงปฏิบัติสมาธิให้มากขึ้นเพียงปฏิบัติปัญญาให้มากขึ้นนั่นเองพอเรามีความศรัทธาแล้วเราก็จะมีความเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อแล้วว่า ถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างนี้เราจะได้บรรลุเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้เราหมั่นสร้างสติให้มีมากขึ้นไปตามลําดับให้มีสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไปกับความคิดต่างๆ ให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่ากําลังทำอะไรกาลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังอาบน้ำกําลังแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารให้ใจอยู่กับการทำงานของร่างกายตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอนาคตที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าจำเป็นที่จะต้องคิดก็ให้มีสติคอยดูความคิดให้คิดเท่าที่จำเป็นเช่นคิดว่าวันนี้จะต้องไปทำอะไรก็คิดได้พอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็หยุดคิดแล้วก็มาเตรียมตัวไปทำในสิ่งที่ต้องไปทาให้มีสติคอยดูคอยเฝ้าดูคอยรู้ ไม่ให้คอยคิดอย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะนี่คืออาการของการไม่มีสติถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาได้นั่นเองไม่สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิเราต้องมีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติ ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับควรเจริญสติตั้งแต่เตื่นจนหลับวิธีเจริญสติเราต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดกรรมฐานนี่แหละเป็นเครื่องสร้างสติเช่นในกลุ่มอนุสติก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติ พุทธานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองเลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ด้วยการสวดบทพุทธคุณอิติปิโสภะกวาอาหังสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยพอเราสวดเราก็จะมีสติอยู่ในปัจจุบันเราก็จะอยู่กับการสวดแทนที่จะอยู่กับความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันต่างๆพอเราสวดปับ๊บเราก็ระ ง, งับความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันได้ เราก็จะอยู่กับพุทธานุสติสวดวดพุทธคุณหรือถ้าเราไม่อยากจะสวดมันยาวไปเราอยากจะสวดแบบสั้นๆก็เราเลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ดึงใจไว้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธ ใจก็จะไม่ลอยไปกับความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันต่างๆใจก็จะมีสติระลึกรู้สักแต่ว่ารู้อยู่ว่ากำลังทำอะไรนี่เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานกรรมฐานเป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมาถ้าเราต้องการสร้างสติเราต้องมีกรรมฐานถ้าไม่มีกรรมฐานเร า, ส ร, าสร้างสติขึ้นมาไม่ได้ กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเราเราชอบแบบไหนเราก็ชอบแบบนั้นหรือเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้กรรมฐานแบบนี้แทนแบบนั้นเราก็เปลี่ยนได้เพราะว่าการปฏิบัติของเรานี้เรามีภาวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เหมือนกับการขับรถยนต์นี้เราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าภ า, ภาวะบนท้องถนนนี้มันเปลี่ยนไปเวลารถติดก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเวลารถไม่ติดรถก็ใช้เกียร์สูงได้ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ไปการเจริญสติก็เหมือนกันต้องมีการเปลี่ยนกรรมาฐานบ้างไปตามโอกาสแต่ในเบื้องต้นนี้เบื้องที่ ตอนที่เราเริ่มออกรถใหม่ๆนี่เราใช้กรรมฐานอันเดียวก็พอเช่นใช้พุทธานุสติหรือกายะกะตาสติเวลาที่เราเติ่นขึ้นมาแล้วเราต้องการควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเราใช้พุทธานุสติก็ได้หรือใช้กายะกะตาสติก็ได้พุทธานุสติก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเลย พอลืมตาขึ้นมาพอใจจะไปคิดเพอ้อเจอ้าคิดเพอ้อฝันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทธานุสติหยุดมันทันทีท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเราก็ไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุทโธพุทโธไปถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ามันไม่คิดเราไม่ต้องพุทธโธก็ได้คอยควบขุมใจอย่าให้คิดเท่านั้นเองถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทธโธเราก็คอยดูว่าเรากำลังทำอะไรแทนก็ได้เรียกว่ากายกตาสติถ้าเราดูว่าร่างกายเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้าก็อยู่กับการอาบน้ากำลังแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัวอย่างนี้เรียกว่าเรากาลังใช้กายกตาสติ เป็นกรรมฐานสร้างสติขึ้นมาให้กับเราไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันต่างๆนั่นเองนะแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราอยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราอาจจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนกรรมฐานในตอนนั้นก็เปลี่ยนได้ จากการดูร่างกายเราก็มาดูลมหายใจแทนก็ได้พอนั่งหลับตาแล้วทีนี้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกแทนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมา หรือถ้าอยากจะรู้อยู่ที่กลางหน้าอกก็ได้ก็ให้รู้ว่ากำลังพองขึ้นมาหรือกํากำลังยุบเข้าไปเวลาลมหายใจเข้าไปในปอดมันก็จะทำให้หน้าอกพองขึ้นมาเวลาหายใจออกไปจากปอดหน้าอกมันก็จะยุบเข้าไปอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีของอาณาปณะสติอาณาปณะสติก็คือการมีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออก อานแปลว่าลมเข้าปานะแปลว่าลมออกปานสติมีสติรู้อยู่กับการกับลมเข้าลมออกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานเป็นเครื่องที่เครื่องมือที่จะสร้างสติให้กับใจถ้าเราเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะค่อยสงบลงไปตามลำดับหรือบางครัง้งบางคราวก็สงบแบบฉับพลันก็มีสงบแบบไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวมาก่อนอยู่ดีๆก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อแล้วก็จิตก็นิ่งสงบแล้วก็สบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น มีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงก็คือลถของความสงบนี้เองที่เป็นนัตติสันติปรังสุขขังที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี นี่นะคือผลที่เกิดจากการที่เราพยายามสร้างสติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องเป้าหมายของการสร้างสติก็คือให้มีสติตลอดเวลาที่เราตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ไม่ควรปล่อยให้จิตใจไม่ไม่มีสติคอยควบคอยควบคุมใจถ้าไม่มีสติแล้วใจจะคิ ด, ดเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะคิดหดหู่คิด เศร้าหมองได้ซึมเศร้าได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วใจจะว่างใจจะเย็นใจจะเบาใจจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างเต็มที่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือผลที่เกิดจากการมีศรัทธา ถ้ามีศรัทธามากการปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับถ้ามีศรัทธาเต็มร้อยการปฏิบัติก็จะเต็มร้อยผู้ที่มีศรัทธาเต็มร้อยนี้จะไม่จะจะไม่ยอมจะไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วจะขอปฏิบัติอย่างเดียวจะขอสร้างพลังใจให้เป็นพระอริยบุคคลเพียงอย่างเดียวจะต้องการเปลี่ยน อ, อินรี่ห้าให้กลายเป็นภารห้าขึ้นมาการที่จะเปลี่ยนอินทรี่ห้าให้เป็นพารห้าขึ้นมานี้จําเป็นจะต้องมีการศึกษาและเป็นมีการปฏิบัติเต็มร้อยคือไม่ไปทําภารกิจอย่างอื่น<ม><ะ>ผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนายกระดับกิจให้สูงเป็นพระอริยบุคคล น, นี้ส่วนใหญ่จะต้องไปบวชกันหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องอยู่แบบนัก บ, บวช เข อ, อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากภารกิจในการสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถยกจิตยกอินทรีย์ให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมาได้ถ้ายังศรัทธาไม่เต็มร้อยอยู่นี้ก็ยังแบ่งรักแบ่ง แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ใจหนึ่งก็ยังรักงานอย่างอื่นอยู่ใจยังรักครอบครัวยังรักสามียังรักภรรยายังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่อีกใจหนึ่งก็ยังรักรักธรรมะรักการปฏิบัติรักการศึกษาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาทางใดทางหนึ่งเพราะว่าศรัทธาในทางธรรมยังไม่เต็มร้อย แต่ถ้าได้ศึกษาได้ฟังเทพฟังธรรมบ่อยๆแล้วจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรารักเช่นครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและร่างกายของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการพัดภาคจากกัน จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าไปรักไปติดอยู่กับเขาเวลาที่เกิดจากการพัดพากจากกันก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจร้อ ง, ห, องห่มร้องไห้เวลาที่อยู่ด้วยกันก็ต้องคอยวิตกกังวลห่วงใหยต่อกันละกันก็จะรู้ว่าการที่ไปรักไปชอบอการ ทรัพสมบัติหรือบุคคลนี้จะทำให้เราทุกข์กันจะทำให้เราไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ตัดมันไปดีกว่าอยู่กับความทุกข์ทำไมเอาเวลาไปสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะในไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย จากการตอนเป็นนี้อาจจะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างถาวรเช่นสามีภรรยาจากกาันแต่ไม่ได้จากกาันแบบโกรธกันหรืกเกลียดกันจากกันเพราะสามีจะไปปฏิบัติธรรมภรรยาก็จะไปปฏิบัติธรรมต่างฝ่ายก็ไปปฏิบัติธรรมกันไม่ไม่ไปอยู่ร่วมกันแยกกันอยู่เพราะถ้าไปอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็จะมีการ ห่วงกันมีภาระผูกพันกันก็แยกกันไปอยู่คนละวัดได้ก็ดีต่างคนต่างไปปฏิบัติกันไม่ต้องเห็นหน้ากันไม่ต้องมากังวลกันเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมกันได้อย่างเต็มร้อยนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของผู้คองเรือนี้มันเป็นทุกข์และมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลง และมันจะทำให้เราไม่ได้ไปปฏิบัติทําได้เต็มร้อยเมื่อเราเห็นโทษของการมีมีครอบครัวมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งได้เราก็ต้องเลือกทางธรรมเพราะทางธรรมนี้นําไปสู่ความสุขทางโลกทางครอบครัว ก็จะนำเราไปสู่ความทุกข์นั่นเองต่อไปเราก็จะแยกทางกันได้ต่อไปเราก็จะไปปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติฟังอย่างเดียวไม่ได้นะฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลแล้วมันจะไม่มีกำลังจิตกำลังใ 2014, จเหมือนทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนนี่จะไม่มีกำลังใจทำงานานะแต่ถ้าพอเงินเดือนพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกตรงเวลาเป๊ะเนี่ยการจิตใจก็จะมีกำลังใจที่จะทำงานเพราะรู้ว่าพอสิ้งสิ้นเดือนแล้วเงินก็จะออกทันทีแต่ถ้าทำไปแล้วสิ้นเดือนก็ยังไม่ออกกลางเดือนก็ยังไม่ออก สเดือนก็ยังไม่ออกอย่างนี้อาจจะออกจากงานไปเสียก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมทําแล้วไม่ได้เงินเดือนฉันใดถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับทํางานแล้วจะไม่ได้เงินเดือนนั่นเองถ้าศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเพราะการศึกษานี้จะไม่มีผลผลจะไม่เกิดจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวผลจะเกิดจากการศึกษาแล้วไปปฏิบัติ ปฏิบัติโดยไม่ศึกษาก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ศึกษาเดี๋ยวก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าวิธีเจริญสติที่ถูกต้องเจริญอย่างไรวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่งอย่างไรถ้าไปปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็กอาจจะกลับเกิดโทษขึ้นมาก็ได้ ดังที่เราคงเคยได้ยินว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าไปเนี่ยเยคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้านี่รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนถ้าศึกษาแล้วรับรองได้ว่าไม่เป็นบ้าอย่างนั้นต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัตินี่เป็นบ้าได้นี่คือแต่ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผละ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างวันนี้ญาติโยมได้มาฟังเรื่องวิธียกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงแล้วว่าจะต้องทับอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติไปเพิ่มศรัทธาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้นบ่อยขึ้นให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจมากขึ้นให้เห็นคุณของธรรมะว่ามีคุณอย่างไรให้เห็นโทษของการที่เรามีท ร, รัพสมบัติเข้าของเงินทองว่ามันเป็นโทษอย่างไรเมื่อเห็นแล้วมันจะทาให้เราได้เลือกทางที่ถูกได้แล้วเราพอรู้แล้วว่าการปฏิบัติ ทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางที่นําไปสู่ความสุขที่ยอดเยี่ยมเป็นความสุขที่สุดยอดเราก็จะได้มีวิรยิยะอุตสาหะความเพียรที่จะนําเอาคําสอนไปปฏิบัติต่อไปพอเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้อง จะรินสติอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิด้วยการมีสติคอยควบคุมคอยเฝ้าดูใจไม่ให้คิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆไม่นานจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอ เ, เข้าสู่ความสงบก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงเหมือนกับได้รับเงินเดือนพอได้เงินเดือนนะทีนี้ไม่ต้องบังคับไปทำงานนะยิ่งถ้าได้เพิ่มเงินเดือนนี่ยิ่งอยากจะไปทำงานบ่อยขึ้นยิ่งปฏิบัติรถแห่งธรรมที่เราได้สัมผัสก็กจะมีเพิ่มมากขึ้นตอนต้นอาจจะเป็นเพียงแค่ขณะเดียวที่เรียกว่าคณิกะสมาธิ จิตสงบลงเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นแต่เพียงขณะเดียวมันก็ทำให้เรานี่มหัศจรรย์ใจขึ้นมาทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการศึกษาในการปฏิบัติว่าเป็นแนวทางสู่การสู่ความทุกข์สู่ความสุขอันเลิ่อนอันประเสริฐมันก็จะทำให้เรามีศรัทธามีวิริยะความพยายามที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปพอเราปฏิบัติมากขึ้น ลดแห่งธรรมที่เราได้สัมผัสก็จะมีเพิ่มมากขึ้นจากคณิกะสมาธิก็จะกลายเป็นอัปปนาสมาธิคือจิตจะสงบได้นานขึ้นไปตามลำดับเมื่อมีได้สัมผัสกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐมากขึ้นบ่อยขึ้นก็จะทำให้อยากจะมีตลอดเวลาก็จะเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดการปฏิบัติก็จะเต็มร้อยขึ้นมา เมื่อปฏิบัติได้เต็มร้อยผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเต็มร้อยตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะเหตุของผลก็คือการปฏิบัติผลก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงถ้าปฏิบัติห้าสิบผลก็ห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยผลก็ต้องเต็มร้อยเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลจากการที่เราปฏิบัติแล้วเราก็จะเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไป ตามลดับจนในที่สุดเราก็จะปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยและได้รับผลเต็มร้อยได้หลุดพ้นจากความทุกข์เต็มร้อยได้พบกับความสุขของพระนิพพานอย่างเต็มร้อยเราก็ต้องเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะว่าเรามีความสุขในใจของเราเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เหมือนกับที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เราไม่มีความสุขในใจของเราเราเลยต้องออกมาหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ก็หาได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายพอแก่เจ็บตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาใหม่อีกก็จะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราก็ต้องมาร้องหม่มร้องไห้เพราะเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพากจากกาันก็ต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสีสยใจกันแต่ถ้าเราได้สร้างจิตให้มีความสุขระดับของพระนิพพานแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาพัดพากจากกันอีกต่อไป นี่คือประโยชน์จากการที่เรามาวัดมาศึกษาธรรมเราจะได้เรียนรู้วิธียกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับจากระดับของปุถุชนขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลเพื่อเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและถาวรที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทวาวเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวอิโตทินางเปตานังอุปกัรปติอิจจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตปวะตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนาสิลิสานิจังวุทาปจายโน จตโรธหทมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมด307คน YouTube 224คนวิทยุออนไลน์21คน ผู้่ฟังบนเขาสองร้อยแปดสิบสี่คนรวมทั้งหมดแปดร้อยสาสิบหกคนครับผมช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนมีไหมมีค่ ะ, ะเชิญ คำถามจากทางบ้านจากคุณพีพีมูลคนจนถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาน้อยหรือเปล่าถ้าบุญวาสนาน้อยจะบรรลุธรรมได้หรือไม่เจ้าค ะ, ะคนที่ยากจนนี้ไม่ได้หมายความว่าวาสนาน้อยเพราะคนที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นคนยากจน ถ้าศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านเป็นชาวนาชาวไร่เป็นคนยากคนจนที่ท่านยากจนอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้สร้างทานบารมีมาท่านอาจจะไปสร้างศีลบารมีเน่ฆ a ามะบารมีจึงทำให้เวลาท่านมาบวชนี่ยากจน แต่ท่านไม่สนใจกับความร่ำรวยหรือยากจนท่านสนใจกับเรื่องศีลและธรรมสนใจกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่าดังนั้นการที่จะดูว่าคนยากจนนี้อาภัพวาสนาหรือไม่ก็ก็อาจจะดูไม่ได้เพราะว่ามันมี หลายเหตุหลายประการด้วยกันที่จะทำให้คนเราอาภัพวาสนาหรือไม่อาภัพวาสนาความยากจนนี้เป็นเพียงแต่บอกว่าอาจจะไม่ได้ทำทานมาในอดีตเพราะในอดีตอาจจะเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ได้ทำทาน ม, มีแต่ขอทานก็เลยยากจนมาเกิดเป็นขอทานต่อแต่ขอทานมีศักมีบามีศักมีสี เพราะขอทานแบบเป็นพุทเป็นนักบวชไม่ได้ขอทานแบบยาวจบเนั้นก็ท่านก็จะบวชกันง่ายกว่าถ้ามาเกิดเป็นคนรวยนี่มันจะห่วงมันจะห่วงทรัพย์สมบัติเวลาบวชนี่จะยากยาก็ทำให้ไม่สามารถที่จะไปบวชไปบรรลุธทรได้เะฉั้น คนส่วนใหญ่ที่ไปบรรลุธรรมนี้มักจะมาเกิดเป็นคนยากคนจนเพราะว่าในอดีตท่านท่านเป็นนักบวชกันท่านไม่ได้ทาบุญทําทานไม่ได้เป็นผู้คองเรือนไม่ได้เป็นผู้มีฐานะการเงินการทองเพราะท่านเป็นนักบวชแต่ท่านจะเจริญทางสมาธิทางสติทางศีล ดังนันเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ยากจนแต่ท่านจะไปบวชกันเป็นส่วนใหญ่บางคนบวชตั้งแต่เป็นเนรเป็นเด็กก็ไปบวชเลย เ, เพราะว่าท่านไม่ได้สร้างทานบา ร, รมีมาดังนั้นการดูคนความยากจนนี้ก็ดูได้เพียงแต่ว่าเป็นผลที่เกิดจากการไม่ได้ทําบุญทําทานมาพูดใกล้ใกปากเลยนะ ทัาหนูอหนเ อ, อ่อตื่นมานั่งสมาธิทุกเชา้าอะค่ะช่วงเช้าตรู่แต่ว่าจะใช้วิธีของการขยับมือตามสายหลวงพ่อเทียนนะคะออแล้วก็สลับกับการนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนกับว่าดูอนาปัฏานสติอะคะ่ะแต่ว่าใจก็ไม่สงบแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ฟุ้งซ่านมากอะคะ่ะ ไม่ทราบว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะส่วนกัางวันก็จะใช้อนาปัตสติพยายามก็คือดีขึ้นกว่าเดิมมากค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เคยแบบจิตรวมหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือการใช้ดูมือนี่มันเป็นการกระทาที่ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราต้องมีเวลามานั่งทำมือ ยังควรจะเปลี่ยนการดูมือดูการกระทาของร่างกายดีกว่าเพราะเราเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเราต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรต่างๆของร่างกายตั้งแต่ตื่นมาเลยอพอตื่นมาเราก็ต้องลุกขึ้นเืินจากเตียงเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำอาบท่านนี่ก็มีสติดูร่างกายทั้งร่างเลยไม่ต้องไปดูแต่มืออย่างเดียว ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันแล้วจะได้ทำได้ตลอดเวลาถ้าจะดูมือก็ต้องมาหาเวลาว่างมานั่งแล้วก็นั่งดูมือคือก็จะกำหนดเหมือน ปีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะขยับขึ้นเหมือนกว่ามาถ้าทำไปเลยถ้าีห้าขึ้นมานั่งดูนั่งสมาธิไปเลยจะดีกว่ามานั่งดูมือทําไมคือนั่งหลับตาดูลมหายใจหรือพุทโธพุทโธไปเลยจะได้ประโยชน์มากกว่าคือเมื่อก่อนนั่งหลับตานี่คือใจไปเลยอะค่ะหลับปุ๊บใจลอยออกไปนู่นถ้าไปก็สวดมนต์ก่อนนั่งสวดมนต์ก็จะสวดมนต์ก่อนประมาณสามรอบแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มทําสลับกันคะ อย่าดูมือเลยมันนี้มันเป็นวิธีที่มันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าอแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นทางนะอาจจะเป็นทางเฉพาะบุคคลคื อ, ค, อคือหนูรู้สึกมันเหมือนมันเป็นเช็คพอยต์อะค่ะเหมือนกับว่าพอเราขยับปุ๊บอ่าเราเราหยุดคิดขยับปุ๊บหยุดคิดแต่ว่าถ้าถ้าเดินไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือใจหนูลอยไปเลยหนูรู้สึกว่า ม, มันแบบเป็นเช็คพอยต์ว่าเราขยับขยับรู้ดึงใจให้กลับมาในปัจจุบันได้ก็ใช้ได้ค่ะจ้ะ แต่จะจิตไม่เคยรวมเลยค่ะกรรมธทํายังไม่พอใช่ไหมคะใช่สติยังน้อยไปยังน้อยไปต้องฝึกสติให้มากๆขึ้นต้องปฏิบัติทั้งวันนั่นแหละถึงจะรวมได้ค่ะเข้ามรพึ่งค่ะมีท่านหนึ่งต่อเลยค่ะวันอาสาค่ะที่ผ่านมาพยายามที่จะตั้งใจรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรมั่งใช่ไหมคะแล้วก็เตรียม เตรียมมาไว้ว่าวันนี้เราจะงดอาหารไม่ทานเพื่อให้ท้อง ม, มันว่างเพื่อตอนคืนเราจะนั่งเนซ ช, ชิกไม่ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมคะแล้วพอถึงเวลาเหมือนเราเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดเลยคะ่ะกายเราก็ไม่ง่วงไม่อะไร แต่เวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะกลับไม่ได้ความสงบเลยค่ะอแต่ว่ารู้ตัวว่ามันตื่นอยู่ตลอดเวลาเวาไม่เตรียมสติด้วยไม่เตรียมอย่างอื่นตัวสําคัญก็คือสติมันต้องเตรียมพร้อมๆกันไปเลยเวลาไม่กินอาหารเราก็ต้องฝึกสติไปด้วยต้องควบคุมความคิดไปด้วยถ้าไม่ควบคุมความคิดตั้งแต่ก่อนจะมาปฏิบัติเดี๋ยวพอปฏิบัติมันก็คิดต่อไปงังต้องมีสติต้องเตรียมสติด้วย ขาดสติอก็เลยไม่เกิดพ้นขึ้นมาคิดว่าวันนั้นเพราะว่าวันนั้นพยายามที่จะนั่งนั่งปฏิบัติอะค่ะก็คือตั้งแต่เช้านั่งนั่งและเดินแต่ก็อาจจะที่พระอาจารย์ว่าเหมือนกันค่ะไม่มีสติแต่อีกอย่างหนึ่งคิดว่าอาจจะเพราะอยากความอยากด้วยไหมคะว่าอยากจะสงบมันก็เลยยิ่งไม่สงบ มันก็มีส่วนแต่ตัวหลักก็คือตัวไม่มีสติถ้ามีสติมันก็จะระงับความอยากไปในตัวถ้ามีความอยากก็แสดงว่าไม่มีสติมีความคิดปรุงแต่งอยากให้รวมอยากให้สง บ, บมันเลยไม่มีสติต้องพุโทโธพุโทโธตลอดเวลามันถึงจะหยุดความอยากหยุดความคิดได้ ก็แค่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเตรียมอมันผ่านไปได้อดีตเตรียมไม่ครบไงอเตรียมจะไปเที่ยวอย่างนี้เตรียมเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าจองที่พักแต่ไม่ได้เตรียมเงิน <laughs> <laughs> พอจะออกจากบ้านมันไม่มีเงินไปไม่ได้เลย <laughs> เราใหญ่ไหม เ, เตรียมไม่ครบขาดอย่างขาดตัวสําคัญคือขาดเงินกาปรปฏิบัติขาดสติเนี่ยสติเป็นเหมือนเงินหรือเป็นเหมือนกุญแจรถเนี่ยเตรียมข้าว ข, ของทุกอย่างพร้อมหมดแต่ลืมกุญแจพอจะสตาร์ทรถไม่มีกุญแจสตาร์ทรถไปไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวไม่ครบเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบ ขาดกุญแจสำคัญคือสติถ้ามีสติอย่างอื่นขาดยังไม่เป็นไรยังไปได้อยู่ไปหาข้างหน้าได้อยู่ถ้ามีกุญแจรถขับรถไปมีเงินติดตัวไปเดี๋ยวขาดเสื้อผ้าขาดรองเท้าซื้อใหม่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีกุญแจรถนึไ่ไปไหนไปไม่ได้ฉั้นลืมสติกันส่วนใหญ่มักจะลืมสติลืมเตรียมสติกัน คำถามจากผู้ฝากถามบนเขาคำถามที่หนึ่งเขายืมเงินเราสามพันแต่เขาเสียชีวิตแล้วเรายกให้เขาแล้วแต่เขาไม่รู้เขาจะได้บุญหรือเราจะได้บุญคะและเขาจะเป็นหนี้เราไหมเเราได้บุญเขาไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขาไม่เขาไม่ได้เป็นหนี้เราชาติหน้าเขาเจอเราก็อาจจะมาใช้เราก็ได้เอ ส่วนที่เรารู้นี่เราเสียสละยกให้เขาแล้วเราก็จะสบายใจไม่ติดพันกับเรื่องเงินสามพันนั้นถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปใจเราก็มีความสุขค่ะคำถามที่สองตายแล้วไปไหนเจ้าคะตายแล้วก็ดวงวิญญาณเราก็จะถูกบุญหรือบาปดึงไปขึ้นอยู่กับบุญกับบาปว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าเราทำบาปไว้มากกว่า บ, บุญบาปจะดึงเราไปอาบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปตกนรกถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้เราไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเนี่ยบุญมากทำบุญมากก็จะไปชั้นที่สูงมากมีความสุขมากทำบุญน้อยก็ไปชั้นที่ต่ามีความสุขน้อย คำถามที่สามขอเมตตาพระคุณเจ้าอธิบายมโนกรรมสามในกุศลกรรมโบทสิบทั้งสามข้อและข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะ ม, นมนโนมโนกรรมสามก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองที่เป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลก็คือโลภโกรธหลงถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เรียกว่าเป็นกุศล เพราะว่าจะทำให้จิตสงบยินให้จิตมีความสุขถ้าเป็นความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้จิตร้อนจิตเป็นทุกข์ขึ้นมายานันเราต้องมาสร้างมโนกรรมสามที่เป็นกุศลคือตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงคำถามต่อไปนะสัมมาทิฏฐิแล้วใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าและข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตอนนี้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเช่นเห็นร่างกายของเรานี่เป็นตัวเราอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวร่างกายก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เห็นร่างกายว่าทำให้เรามีความสุขแต่ความจริงมันทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าตอนนี้มันอาจจะทำให้เรามีความสุขพาเราไปหาความสุขได้ต่อไปเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายนี่มันจะพาเราไปหาความสุขไม่ได้ตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเห็นว่าร่างกายที่คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็เป็นความเห็นผิด ความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเห็นตลอดเวลาถึงจะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นเฉพาะตอนที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็ลืมก็ยังถือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิอยู่จึงต้องพยายามสร้างสร้างสัมมาทิฏฐิอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดได้ตลอดเวลาจนไม่หลงไม่ลืมเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็สอนว่าให้ <c oughs> พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่เชื่อไปดูคนตายเ่ยเวลาก็เผาแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ดินนะเหลือแต่ขี้เถ้า กี่าวก็ดินนี่นี่แหละคือร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นเราของเราไม่ใช่เราเราเป็นดวงวิญญาณไปแล้วตอนที่ร่างกายตายไปนี้เราเป็นดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ในโลกทิพย์ถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าบาปพาไปก็ไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปนรกหรือไปเกิดเป็นเดชะฉานตามลําดับนี่คือเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิ เพื่อที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลตายไปจะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปถึงชั้นนิพพานเลยก็ได้ด้วยสัมมาทิฏฐินี่เองเอาล้นะวันนี้คิดว่าหมดเวลาพอดีก็ขออภัยท่านที่ส่งคำถามเข้ามาเพราะวันนี้คนมากเลยใช้เวลามากหน่อยไว้พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อ